รายการชีวิตวัฒนธรรมโดยอาจารย์พนธรรมเนียมอินสร้างสรรค์และผลิต ร, รายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มน้อมประนมด้วยภักดีพระอาทิคุณอุ่นเกสีสืบสินทวีวิถีไทยทรงรักและเมตตาต่อไพร่ฟ้านันยิ่งใหญ่ถวยราชร้อยดวงใจถวายใยทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ค่าพระพุทธเจ้าคณะผู้จัดรายการชีวิตวัฒนธรรมสถานีวิทยุมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการชีวิตวัฒนธรรมและดิฉันพนธ์ธรรมเนียมอินอีกเช่นเคยนะคะเช้านี้เป็นเช้ามืดของช่วงวันหยุดยาวสาม ว, วัน ที่หลายๆคนก็เฝ้าฝันรอคอยเพราะเป็นวันสำคัญในชีวิตของทุกๆคนอีกครั้งหนึ่ง มีช่วงวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคมนี้นะคะตอนนี้หลายคนเดินทางถึงบ้านเกิดเมืองนอนแล้วค่ะไปอยู่กับครอบครัวไปหาแม่นะคะหลายคนบอกว่าไปหาแม่ทุนหัวได้แม่คุณปันนอนได้ค่ะจะไปหาแม่ที่ไหนก็ได้นะคะแม่สถานะไหนก็ได้เพราะว่าสิ่งที่เราเรียกว่าแม่นั้นเป็นคําที่เรายกย่อง แล้วก็มีมุมมองที่เป็นเชิงบวกทั้งหมดเลยนะคะถ้าหากว่าเราจะได้ยินเพลง เ, เพราะหลายๆเพลงเราก็ยังนึกถึงแม่น้ําตากลก้นแกว้วเขาก็เรียกว่าแม่เรียกหญิงอันเป็นที่รักถึงแม้จะเจ็บช้ำน้ําใจยังไงก็มีคําว่าแม่เ อ, อแม่ทุนหัวอ่านะคะแม่เจ้าพระคูณอันนี้อาจจะเชิงประชดเล็กๆน้อยๆแม่น้ํานะคะอะไรที่ ยิ่งใหญ่อะไรที่เป็นไปนในเชิงยุกย่องเราจะใช้คําว่าแม่ไปนำหน้าก็สร้างเป็นคําใหม่เกิดขึ้นกันมาเยอะแยะมากมายจนวันหนึ่งดิฉันได้ยินคนเข้าใจผิดแล้วก็เกิดเป็นความรู้สึกนิดนิดขึ้นมาว่าทําไมคนน่ะไปเอาคําว่าแม่ซึ่งเป็นคําที่เรียกผู้หญิงที่ให้กาเนิดทารกนั่นนี่นู่นไปใช้พร่เพื่อ ไม่ที่เกลียดกันหรืออย่างไรโอ้กว่าจะทำความเข้าใจกันได้ว่าไม่ใช่นะคะคำว่าแม่เนะี่ยเขาใช้ในเชิงบวกยกย่องมากกว่าที่จะคิดเป็นอย่างอื่นกว่าจะเข้าใจกันได้ก็ต้องช่วยกันอธิบายหลากหลายคนหลากหลายมุมจริงๆค่ะช่วงต้นของชีวิตวัฒนธรรมนะคะเราก็เริ่มด้วยความสำคัญที่คนไทยทุกคน ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะคุณผู้ฟังที่เคารพคะตลอดระยะเวลาที่พวกเราเกิดมาเราก็จะได้เห็นภาพที่พระองค์ท่านเสด็จเคียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าไปในถินที่ต่างๆ จะธุร ก, กันดารลำบากเพียงใดพระองค์ท่านก็ยังทรงทำงานหนักเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อมนะคะได้มีพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเมื่อวันที่ยี่สิบธันวาคมสองพันห้ารอยี่สิบห้าที่จังหวัดสกลนครค่ะ พระราชาดำรัสองค์นั้นเป็นที่ประทับอยู่ในหัวใจคนไทยมาตลอดเวลาพระองค์ท่านตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและเราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าทรัพยากรป่าไม้น้ำสำคัญ ตอบพวกเรามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำสาธารณะที่ให้ความชุ่มฉ่ำต่อแผ่นดินและป่าไม้ต้องมีสัตว์เพื่อช่วยในการขยายพันธุ์และสร้างความสมดุลของธรรมชาติส่วนสัตว์ป่านั้นก็ต้องมีแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยจึงกล่าวได้ว่ามนุษย์ป่าไม้และสัตว์ป่ามีความสัมพันธ์กันอย่างละเอียดลึกซึง้ง อันไม่สามารถจะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไ ด, ได้จึงขอน้อมรำลึกถึงพระราชการณียกิจของพระองค์ท่านในหลายวโรกาศและหลายพื้นที่ดังต่อไปนี้ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาฏได้ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ื้นป่าเนื่องจากทรงลิงเห็นว่าพื้นที่ป่าไม้จำนวนลดน้อยถอยลง ส่วนหนึ่งของปัญหามาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีสาเหตุจากการที่ชาวบ้านลักลอบตัดไม้และประการสำคัญคือพระองค์ทรงพบว่าสาเหตุจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่ามาจากปัญหาความยากจนชาวบ้านหาที่ทำกินโดยการเท่าถางป่าเผาครั้งหนึ่ง 50-60 ไร่และได้นำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรจริง เพียง50ถึง20ไรกเท่านั้นทรงห่วงปัญหานี้และทรงวิตกว่าประเทศชาติเรากำลังสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญจึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ทุกขยากไม่มีอาชีพที่สุจริตให้มีไรายได้ประทังชีวิตโดยไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าอีกต่อไปโครงการป่ารักน้า เริ่มทดลองครั้งแรกที่บ้านทำติวตำบลและอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่20ธันวาคม2525 25, เป็นโครงการปลูกป่าด้วยพันไม้ที่เติบโตเร็วโดยราศดรเป็นผู้ปลูกและดูแลพื้นดินที่พระองค์ท่านส่งซื้อและส่งเช่าพระราชทานรวมทั้งพระราชทานเงินเดือนแก่ราศดรผู้ยากจนที่เข้าโครงการนี้ด้วย วิธีการก็คือพระองค์ได้ท่งขอซื้อพื้นที่ชาวบ้านได้แท้วถางแล้วถูกทิ้งร้างโดยนำพื้นที่ดังกล่าวมาพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการป่ารักน้ำทรงเริ่มต้นด้วยการจัดหาที่ทางให้ชาวบ้านพักอาศัยหาอาชีพให้มีการจัดสรรพื้นที่ให้คนละหนึ่งถึงสองไร่ภายในพื้นที่ประกอบด้วยบ้านมีที่ทากิน ปลูกพืชผักและไม้ผลมีการเลี้ยงสัตว์จําพวกไก่และเป็ดส่วนหนึ่งเป็นพื้นนารวมนอกนั้นเป็นพื้นที่ปลูกป่าทั้งหมดโครงการส่งเสริมให้ชาวบ้านเป็นทั้งผู้ปลูกและดูแลป่าทําให้เกิดความรู้สึกหวงแหนและมีสํานึกรักป่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งผืนป่าทั้งหมดนี้จะช่วยให้ชาวบ้าน ในพื้นที่ช่วยดูแล ก, กันโดยส่งจ้างชาวบ้านเป็นรายเดือนและลดความช่วยเหลือไปเรื่อยๆเมื่อชาวบ้านสามารถตั้งตัวและหาเลี้ยงชีพได้โครงการก็จะชะลอและยุติลงเมื่อด่ทรงเริ่มโครงการป่ารักน้ำขึ้นแล้วยังได้พระราชทานนโยบายให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำขึ้นอีกให้มีสถานะเป็นบ้านน้อยในป่าใหญ่ เพื่อช่วยเหลือลาสดอรที่ยากจนไม่มีที่ทำกินแต่มีความขยันหมั่นเพียรแข็งแรงและประพฤติดีสงสร้างบ้านให้ที่อยู่อาศัยมีหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และพระราชทานเงินเดือนให้ครอบครัวละหนึ่งพันห้ารอยบาทในพื้นที่ภาคอีสานมีโครงการป่ารักน้ำตามพระราชาดำริเพิ่มขึ้นเช่นบ้านป่ารักน้า ตำบลโคกสีอเอสว่างแดนดินโครงการป่ารักน้ำบ้านกุดนาชามตำบลเจริญศิลป์ อ, เ, อเจริญศิลป์และโครงการป่ารักน้ำบ้านจานตำบลม่วงอเอบ้านม่วงและโครงการป่ารักน้ำบ้านใสทองตำบลปทุมว่าปีอเอสองดาวซึ่งทั้งหมดอยู่ในจังหวัดสกลนครค่ะเมื่อวันที่12สิงหาคม2560 สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำกลมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น้อมนำพระราชสวนีมาสู่การปฏิบัติด้วยการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนนะคะโดยที่คนในชุมชนก็จะเป็นผู้ให้ความร่วมมือในการป้องกันแล้วก็รักษาผืนป่าและหน่วยงานก็จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในรูปของเงินอุดหนุนและข้อมูลทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะคะสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูป่า และก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนในชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยเฉพาะบริเวณป่าต้นน้ำนะคะซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2549ต่อเ น, นื่องมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศ52จังหวัดรวม 1,534 หมู่บ้านนะคะทั้งที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์และชุมชนที่อาศัยอยู่รอบๆเขตป่าอนุรักษ์ค่ะ รูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ก็คือกลมอุทยานเป็นผู้ให้เงินอุดหนุนแก่ชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่หรือบริเวณป่าอนุรักษ์นะคะแล้วในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองตามบริบทของพื้นที่ และความสามารถในการดาเนินงานของชุมชนโดยมีหน่วยงานภาคสนามด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำเป็นผู้ประสานงานทางวิชาการและทําหน้าที่เป็นที่เลี้ยงให้แก่ชุมชนค่ะโดยจะมีคณะกรรมการของหมู่บ้านนะคะทําหน้าที่บริหารจัดสรรเงินอุดหนุนแล้วก็เป็นแกนหลักในการดาเนินกิจกรรมของหมู่บ้านนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วย 6 ก, กิจกรรมหลักค่ะได้แก่การพิทักษ์ป่าต้นน้ำเช่นการลาดตระเวนดูแลรักษาป่าการกำหนดแนวเขตป่าเป็นต้นนะคะสองก็คือการควบคุมไฟป่าเช่นลาดตระเวนป้องกันไฟป่าทำแนวกันไฟป่านะคะแล้วก็สร้างหอดูไฟข้อ3าก็คือการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำเช่นปลูกหญ้าแฝก การก่อสร้างฝายต้นน้ำการปลูกป่าเสริมบริเวณป่าชุมชนป่าอนุรักษ์และป่าต้นน้ำสี 4. การจัดเวทีชาวบ้านเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยประชุมการดำเนินงานแล้วก็กำหนดกติกาของชุมชนหรือหมู่บ้านนะคะแล้วก็จัดเวทีของบ้านชุมชนให้ชาวบ้านในพื้นที่ทั้งของลุ่มน้ำแล้วก็ของเครือข่าย ข้อหก็คือการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงอนุรักษ์โดยปรับพื้นที่ทำนาแบบขั้นบันไดและหกนะคะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นการทำระบบประป่าภูเขาสำรวจการจัดทำแผนที่จำลองสภาพภูมิประเทศมีการฝึกอบรมจิตอาสาการศึกษาดูงานด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นค่ะด้วยพระราโชบายของพระองค์ท่าน ที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ผืนป่าทำให้ประสบนิกรทั่วทุกพื้นที่น้อมนำพระราชปณิธามาสานต่อโดยการพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคให้เป็นพื้นที่สีเขียวมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการจัดการพื้นที่แสดงพันไม้นานาชนิดโดยขอพระราชทานพระราชอนุญาตใช้พระนามของพระองค์ท่านเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติอาทิย์ สวนพฤก ษ, ษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ศึกษาพันธไม้ป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอศูนย์พึ่งจังหวัดราชบุรีและยังมีอีกหลายโครงการนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่ป่าอันเนื่องมาจากพระราโชบายดังกล่าวค่ะสมดังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านอีกเมื่อวันที่ยี่สิบธันวาคม25งพยยี้าว่า การจัดการให้คนอยู่กับป่าอยู่กันได้โดยไม่มีรัษดรที่มีความคิดว่าตรงนี้เป็นป่าตรงนี้เป็นเขตบ้านแต่ให้รู้สึกว่าเป็นป่าพื้นเดียวกันและรู้จักรักษาห่วงแหนป่าเสมือนเป็นสมบัติของตนเองความสำเร็จของโครงการป่ารักน้ำนะคะนอกจากจะสามารถแก้ปัญหาวิกฤตการขาดแคลนน้ำแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่านอกจากนี้ก็ยังมีการส่งเสริมให้ประชากรในท้องถิ่นมีอาชีพมีงานทาแล้วก็ได้ใช้เป็นเครื่องทำมาหากินเป็นการช่วยให้ผระสมคิกรของพระองค์ท่านไม่ต้องออกไปทำอาชีพผางไกลบ้านและครอบครัวแล้วก็มีพื้นที่ที่ส่งให้ปลูกป่าให้ปลูกต้นไม้จึงเสมือนการปลูกชีวิตของผู้คนในขณะเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มออกซิเจนเสมือนการปลูกอากาศให้ทุกคนได้สูดลมหายใจเข้าไปอย่างชื่นแล้วก็เป็นการต่อชีวิตด้วยนะคะคุณฝั่ังที่เคารพคะยังมีพระราชกรณียกิจอื่นๆอีกมากมายที่พร่งท่านพระราชทานไว้แก่ปวงชนชาวไทยนะคะช่วงนี้เราฟังเพลงสักเพลงหนึ่งที่คุณบยก เตรียมให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในช่วงสัปดาห์นี้กันค่ะ บัดนี้ทุกอย่างสิ้นวัาง้อยลองสุดเคยเปลี่ยมลงกลับมุนใจมองฉันได้แต่มองหน้าเธอแล้วเพลรอ ใาเธอต้องจากไปอยากหยุดยังรังเธอเอาไว้แต่ฉันต้องพักโรคร้ายที่มันเื้อยาขนาดนี้ใจฉันเหมือนจะขาด จีกินกระดาษเมือสาบน้ำตาคลี่วางผมอนมือคอปากกาเขียนค่อยคำว่าเธอจ้าฉันยังรักเธอ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 ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ชั้น7ศูนย์การค้าบางซื่อจังชันสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์รังสิตโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีให้บริการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยหัตถบำบัดนวดเพื่อรักษาโรคนวดเพื่อสุขภาพนวดผ่อนคลายอบไอน้าสมุนไพรประคบสมุนไพร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 ใจอ้ยใจเจ้าเอ๋ยว่าเจ้าเอ๋ยรักเขาเสียเลยหรือนี้รักจนท่วมทนนับพันเทวีหัวใจพี่นี้คอยน้องเมต นักรักรักนี้ถ้ามีที่น้องไม่ปองผู้ใดโปรดมอบไม่ไว้วานใจพี่ยาพัานหนอพอนักรักยิงแกวตาทุกวันเวลาใจร้องครค่ำกู เใจใจใจเอ๋ยหัวเจ้าเอ๋ยรักเขาเสียเลยหรือนี่รักจนท่วมท้นนับวันเท่าอีหัวใจปีนี้คอยน้องเมย รักรักนี้ถ้ามีที่น้องไม่พองผู้ใดโปรดนอบไห้ไว้วานใจปียาพนอพนักรักริงแกวตา ขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการชีวิตวัฒนธรรมดิฉันพนธธรรมเนียมอินดำเนินรายการวันนี้คุณบีควบคุมเสียงในหาเพลงเพราะๆให้เราได้รับฟังกันดอกเตอร์กุลกนิษฐ์ทองเงาวควบคุมรายการนะคะพบกันเป็นประจำทุกๆตีสี่ถึงห้าของวันเสาร์ทาง FM 89.5 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสามวันนี้หลายคนกลับไปหาแม่ หลายคนดื่มด่ำกับความสุขที่ได้ไปร่วมกิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนของลูกโดยเฉพาะภาพความน่ารักของเด็กๆอนุบาลเด็กๆประถมต้นเราจะมองเห็นรอยยิ้มที่บริสุทธิ์ประกายตาวิบวับระหว่างแม่กับลูกที่เมื่อได้ร่วมกิจกรรมบนเวทีวันแม่โตขึ้นเด็กประถมปลายซึ่งตอนนี้เราไม่ได้แยก แต่เรารู้กันดีว่าประถมต้นเนี่ยก็คือช่วงป .1 ถึงป .3 ยังเล็กอยู่เลยนะคะพอป .4 ถึง6เนี่ยก็จะเริ่มเป็นก้าวสูบวัยรุ่นตอนต้นและความรู้สึกแนวคิดการเล่นการแสดงออกก็จะเริ่มเปลี่ยนปไปบางคนก็จะมีพัฒนาการด้านทางร่างกายเปลี่ยนไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแม่จะเป็นผู้ที่มีความสําคัญยิ่งในการที่จะใกล้ชิดดูแลเพราะเด็กๆ ก, กลุ่มเนี้ย ก็จะเกิดความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วก็อาจจะรู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเองไปมากเช่ไหะคะดังนั้นถ้าแม่ได้มีโอกาสเข้ามาทำหน้าที่ใกล้ชิดตรงนี้สังเกตด้วยสายตาสังเกตแอบมองพฤติกรรมโดยไม่ต้องพูดกันตรงๆจะรู้เลยนะคะว่าลูกๆไหนบ้านกำลังเริ่ม เข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายก็จะเคะขืนวางตัวไม่ถูกไม่ว่ากับคนในบ้านนอกบ้านหรือครอบครัวใดๆแต่ถ้าคุณแม่ให้ความสำคัญใกล้ชิดแนะนำช่วยเหลือดูแลและบางอย่างต้องเข้าไปช่วยจัดการเนี่ยก็จะทำให้เด็กๆ เ, เหล่านั้นก้าวอย่างมั่นใจมีความสุขอบอุ่นแต่คุณฟังด้วกรบคะ ยังมีเด็กอีกเป็นจำนวนไม่น้อยที่ไม่อยากถึงวันที่โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติดูเหมือนที่ฉันจะเป็นคนเดียวมั้งคะที่พูดอยู่ทุกปีทุกปีว่าเราคิดถึงเด็กกลุ่มนี้เป็นที่สุดเดีนเองเคยเห็นภาพเหล่านี้ด้วยความรู้สึกสะเทือนใจได้อ่านนิยายได้เคยเขียนเรื่องราวเหล่านี้เพื่อ ให้กำลังใจแก่คนที่คุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆก็ตามชีวิตเกิดมาแล้วก็จะเจอสิ่งต่างๆที่สมบูรณ์แบบบ้างขาดๆเกินๆบ้างดังนั้นเราทำใจได้ว่าเป็นเรื่องปกติของปุถุชนแต่มันไม่ใช่ทุกคนจริงไหมคะที่จะทำใจได้เหมือนๆกันบางคนเข้มแข็งทางอารมณ์ ก็คิดซวะไม่เป็นไดแต่บางคนก็โหยหาอาวรและบางคนถึงขั้นเรียกร้องดังนั้นบางทีเมื่อกิจกรรมมันแม่ที่โรงเรียนมาถึงเราจะพบว่ามีเด็กเป็นจํานวนไม่น้อยที่ยอมขาดเรียนไม่อยากไปเห็นภาพบาดตาบาดใจเพราะยังทําใจไม่ได้แต่บางโรงเรียนมีคุณครูที่สุดยอดทําหน้าที่เป็น พ่อแม่คนที่สองเข้ามาลดช่องว่างตรงนี้อบอุ้มให้กำลังใจแทนเด็กเหล่านั้นก็จะคลายความเศร้าหมองไปได้ระดับหนึ่งดังนั้นสังคมก็มีส่วนช่วยถึงจะอยู่ห่างออกมาอีกระดับหนึ่งแต่เราก็ช่วยดูแลเด็กๆ ก, กลุ่มนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนบ้านของเรามีแม่อึยที่เขาที่เขาไม่มีแม่มีใครไหมนะที่มีแม่ แต่ก็เหมือนไม่มีคุณรู้วังอย่าว่าดิฉันใจร้ายนะคะในหนังในละครเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เราเห็นภาพบางบ้านอาจจะเป็นความไม่ต้องการเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจให้เกิดแต่เกิดมาจากความรักสนุกไม่ได้ระวังของผู้ที่ให้กําเนิดทารกกับบางคนถูกทำร้ายดังนั้นไม่ว่าเด็กจะเกิดมาด้วยสิ่งใดก็ตาม แต่ทุกชีวิตมีค่าค่ะเราช่วยกันประคับประคองดูแลพวกเขาให้คำว่าแม่เปลี่ยนเป็นมุมอื่นๆที่เขาอบอุ่นแทนได้ด้วยความรักของพวกเรานะคะเราร่วมกันที่จะเติมเต็มให้กับหัวใจดวงน้อยๆเหล่านั้นและบางคนกับตัวแล้วก็ยังมีบางอย่างที่ เกี่ยวข้องกับคำว่าแม่ในทางที่คิดเมื่อไหร่น้ําตาติ่มไหลได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาทําหน้าที่กันหน่อยนะคะให้กําลังใจเพื่อนหรือคนใกล้ชิดเหล่านั้นเปลี่ยนภาพที่มันเคยเป็นความทุกข์ให้มันเป็นความสุขไปด้วยกันสังคมนี้จะน่าอยู่และเราก็จะพลอยยิ้มอิ่มใจไปด้วยค่ะเรามีเรื่องราวที่จะชวนคุณฟังไปเที่ยวเพราะเราเชื่อว่า สามวันนี้หลายคนว่างค่ะแล้วก็อยากไปเที่ยวไปเที่ยวเฉยๆก็คงจะทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่ไปเที่ยวแล้วมีบางสิ่งบางอย่างประทับใจมีความสุขมีคุณค่าจากการไปเที่ยวเราไปด้วยกันดีไหมคะเดือนเห็นหนังสือพิมพ์ d a ล l นิ e w s ฉบับวันพฤหัสบดีที่แปดสิงหาคมเขาลงเรื่องราวของวันสยามปลุกพลังรักยิ่งใหญ่ สัมผัสมหสัศจรรย์แห่งความสุขไว้ขอนำมาเล่าแล้วชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันต่อนะคะในหน้านังสือพิมเดลีนิวบอกว่าต้อนรับเทศากาลวันแม่แห่งชาติวันสยามผนึกกำลัง30ศูนย์การค้าสยามพรากอนสยามซินเตอร์และสยามดิสคัฟเ r อรีมอบประสบการณ์มหัศจรรย์แห่งความสุขในแบบฉบับในงานวันสยามเซเลบรยัว วันอินอะมิเลียนเลฟในลิมิตกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่พร้อมเชิชวนทุกคนมาร่วมบอกรักคุณแม่ผ่านประสบการณ์แปลกใหม่แล้วก็เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์นำขบวนโดยสวนดอกไม้นานาพัาน์กลางเมืองบทเพลงไพเราะเพลงรักเพื่อแม่มุมถ่ายรูปสินค้าคอลเลกชันพิเศษจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพและจิมทาสรร๊อบอัพสเปซ พร้อมเพลิดเพลินกับผลงานสร้างสรรค์โดยศิลปินไทยระหว่างวันนี้ถึง22สิงหาคมเลยนะคะโอ้หลายวันหลายวันจริงๆนะคะงานนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา12สิงหาคม2562ค่ะ สยามพระกรร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏนําพระราชการณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา70ปีที่ทรงเคียงคู่สององคชันคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทั้งในด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานงานผ้าไทย อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการแสดงขวนมาถ่ายทอดในนิทรรศการพระเมตตาปกล่าพระกรุณาปกสยามนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ของสมาชิกศิลปาชีพจากทั่วทุกภูมิภาคเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาพรสำเร็จรูปจากผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าไทยผ้าชาวเขา ได้ทั้งหมดนะคะก็จะนำเข้ามู ล, ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแล้วก็นำกลับไปช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาที่ต่างจังหวัดนะคะตั้งแต่วันที่8ถึง14สิงหาคมบริเวณแฟชั่น hall ชั้นหนึ่งสยามพารากอนค่ะก็ท่านมาแล้วนะคะก็จะได้ร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพประทับใจท่ามกลางบรรยากาศสวนสวย แล้วก็ชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังๆอย่างวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่10สิงหาคมนะคะก็มีทอมอิสารามาด้วยพรุ่งนี้วันอาทิตย์11สิงหาคมนะคะก็จะมีอิงวัตันทรเบิร์กฮาร์ดส่วนวันจันทร์ที่12สิงหาคมก็ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความจงรักภักดีด้วยการแต่งกายด้วยสีฟ้าซึ่งเป็นสีประจําวันพระราชนิพนและร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยนักแสดงคู่แม่ลูกจากละครเรื่องกลิ่นกาสะลองยายา่าอุรัสยาสเปรปันและต่ายเพ็นพักษิริกุลณนะภักยามพรากรนะคะโดยมีพิธีจุดเทียนชัยพร้อมกันทั่วประเทศเวลา 19.19 น19นค่ะ ด้านสยามเซ็นเตอร์นะคะเมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนนะคะก็ชวนไปบอกรักแม่สุดครีเอทผ่านผลงานด้วยศิลปะอักษร A ถึง Z โดยศิลปินประยุกต์ดังไกลระดับโลกชันรงขลุกเอียดผู้สร้างสรรค์ผลงานลายเส้นด้วยตัวอักษรเป็นเอกลักษณ์โดยศิลปินได้รับแรงบรันดาลใจจากคุณแม่ยุคใหม่ ที่ทันสมัยเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆชอบการท่องเที่ยวทั้งเที่ยวสร้างสรรค์ผจญภัยในอีกมุมหนึ่งนะคะก็ทําหน้าที่เป็นหลักของความเป็นแม่ได้อย่างสมดุลการออกแบบด้วยตัวอักษรตัวหนามีเหลี่ยมและตัดบ่งบอกถึงความเข้มแข็งของการเป็นแม่แล้วก็นํามาแมทกับสีสันโทนสดใสนะคะแล้วก็เพิ่มลวดลายให้ดูมีชีวิตชีวาด้วยสัญลักษณ์หน้ายิ้มดวงตา รวมไปถึงกระต่ายนกพึ่งดอกไม้แทนความไร้เดียงสาเป็นตัวแทนของลูกที่คุณแม่คอยพิทักษ์และดูแลตลอดไปค่ะนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมร่วมสนุกการพิมพ์ข้อความบอกรักแม่ด้วยตัวอักษรเอถึงแซดโดยไม่ซ้ำแบบใครสกรีนลงบนเสื้อทีเชิร์ตให้เป็นการบอกรักแม่ที่สุดตัวเดียวในโลกนะคะ ตั้งแต่วันนี้ถึง12สิงหาคมเช่นเดียวกันที่ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ค่ะแล้วก็ไปปิดท้ายกันที่สยามดิสคั v เ r อรี่นะคะก็จะมีกิจกรรมเนรมิตรประติมากรรมบอลลูนสุดอลังการท่ามกลางสวนดอกไม้สุดตะการตากลางเมืองบริเวณดิสคั v เ r อรี่แ a ซานะคะซึ่งออกแบบโดยศิลปินพิทักษ์หังสาจระ ที่นางสันแรงบาดาลใจจากวัฒนธรรมไทยอันงดงามนะคะอาทิบรลลุมจิตรกรรมจากความงดงามของจิตรกรรมประดับบนพระปรางวัดอรุณราชวรารามบวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครบรลลนช้างไทยช้างและลวดลายผ้าไทย สองสิ่งยังมีบทบาทโดดเด่นต่อวิถีชีวิตคนไทยที่ผูกพันกันมายาวนานเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีบอลลูนนกยูงนกยูงซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสัตว์ที่มีความสง่างามนำมาตกแต่งท่ามกลางลวดลายดอกไม้นานาพันธุ์อันสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยค่ะงานนี้ตั้งแต่บัดนี้ถึงปดสิงหาคมเลยนะคะ คุณฟังที่เคารพคะกิจกรรม3วันนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ส่วนใดของประเทศไทยหรือแม้แต่ส่วนใดของโลกเด่นเชื่อในความรักในความเทิดทูนในความจงรักภักดีที่คนไทยทุกคนมีต่อพระองค์ท่านนะคะและคนไทยก็ไม่ลืมความกตัญญูต่อผู้ให้กำเนิดที่บ้านและ ที่ที่ท่านไปสู่อีกลูกหนึ่งแล้วก็ตามคนเราเกิดมาไม่เท่ากันเดนพูดประโยคนี้ซ้ำอีกแล้วเพื่อจะเป็นกำลังใจสำหรับใครบางคนที่ไม่อยากพูดถึงคำสำคัญในช่วงนี้แต่คุณฟังที่กรบคาหากเราคิดบวกเราอาจจะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยรอยยิ้มที่มีน้ำตาแต่ถ้าเราคิดลบ อยู่หนึ่งๆหน่งจิตใจของเราก็จะเศร้ามองนะคะและจิตใจของเราก็อาจจะทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ขาดสติได้ดังนั้นเราไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดๆทุกๆศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีมีน้ำใจแล้วก็รู้จักตอบแทนพระคุณของผู้มีพระคุณ เด่นชื่อในกฎของความดีข้อนี้นะคะความกระตันยูกระตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะแสดงความกระตัญยูต่อพระองค์ท่านต่อแม่ของเราหรือต่อแม่บุญธรรมแม่อื่นๆแม้แต่แม่น้ำลําคลองเราก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความกระตัญยูกระตะเวทีแล้วดังนั้นเรามาร่วมกันนะคะ รักษาสิ่งดีงามทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ต่อยอดทำความดีด้วยหัวใจเด็กและเยาวชนรุ่นหลังมองเห็นเขาก็จะได้ตามอย่างเราแล้วก็เป็นคนดีในสังคมต่อไปเราซึ่งบางคนก็ยังแข็งแรงดีแต่บางคนก็อาจจะเริ่มอ่อนแรงบ้างเล็กน้อยแต่บางคนอ่อนแรงอยู่กับที่แล้วก็มีแต่ทุกๆคนยังคงมีค่าต่อโลกใบนี้ค่ะ ดังนั้นเราให้กำลังใจกันนะคะส่งหัวใจออกมาด้วยพลังแล้วก็มาร้อมร่มกันเพื่อที่จะให้สังคมใบนี้อบอุ่นไปด้วยความรักของคำว่าแม่ซึ่งมาจากหลายสถานะในโลกใบนี้ผู้ที่เป็นลูกหรือผู้ที่ได้รับการฝูุกปักจากคำว่าแม่ไม่ว่าจากสถานะใดๆก็ตาม เรามีความสุขได้ค่ะเรามีพลังได้และเราก็สามารถเป็นคนดีได้พร้อมๆกับการที่เราสามารถมอบชีวิตวัฒนธรรมอันเป็นความดีงาม ให้เพื่อนมนุษย์ของเราได้เช่นกันนะคะวันนี้ชีวิตวัฒนธรรมก็ดําเนินมาถึง4 5แล้วดิฉันพนธรรำเนียมอินพร้อมทีมงานซึ่งช่มมองตัวนี้คุณบิ๊กควบคุมเสียงและเพลงเพราะเพราะให้เราได้รับฟังกันดกรกุลกนิษฐ์ทองเงาผู้ควบคุมรายการเราสามคนคงต้องลาทุกท่านไปเพียงนี้นะคะและถ้าหากท่านใดคุณแม่ไม่ได้อยู่กับเราบนโลกใบนี้แล้วอย่าลืมไปทําบุญ บาทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านด้วยนะคะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะรายการชีวิตวัฒนธรรมสนับสนุนรายการโดยพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่กว่า20ไร่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีจังหวัดประทุมธานีรวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่า100สายพันธุ์สอบถามรายละเอียดโทร 02-549-3043 จะคลอดกว่าจะคลานกว่าจะผ่านมาคิดดูที่ฉันมีเลือดนักสู้เพราะฉันเคยอยู่ในท้องชาวนาน ฉันเกิดมาจากความรักฉันโตมาจากน้ำใจรักของแม่แสนสดใสคือความยิ่งใหญ่สู้พองชนยามฉันเจ็บแม่เจ็บกว่าฉันแม่บากบั่นแม่ทุกแม่ทน ยามมีใครแม่ไทยทอนกนจะนอนแม่สอนสวดมนฉันจึงมีความรักให้คนทุกคนฉันจึงมีน้ำใจให้คนทุกคน แม่ห่วงลูกอยู่ทุกแห่งหนแม่อ่อนโยนดับความเดือดึงพระคุณแม่มากเกินขนาดนับลูกขอกราบด้วยความซาบซึ้งรักของแม่ยังติดตรึงเป็นคนดีที่หนึ่ง ในดวงแดลูกจะทนบนทางชีวิตไม่ทำผิดไม่อ่อนแอทุกปานใดลูกจะไม่ยอมแพ้จะเป็นคนดีของแม่ตลอดไป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 ปานใดลูกจะไม่ยอมแพ้จะเป็นคนดีของแม่ตลอดไป